ในานามของคณะสงฆ์วัดปิโรงสาวาทขออนุโมทนาต่อกุศลลเจตนาของคณะทานเจ้าภาพสองคณะด้วยกันคณะแรกเป็นคณะนักเรียนจากทหารเรือรุ่นที่3า คณะที่สองน ำ, นำโดยคุณชัยยุทธยันยงยุทธซึ่งได้ปารบการบาเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่เก้า จัดมาถึงคืนนี้คืนที่21ทางคณะสงฆ์ก็จะจัดต่อไปจนถึงครบหนึ่งเดือนถามว่าเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานหรืออยากจะมาเป็นเจ้าภาพจะทำอย่างไรก็คุยกันในบรรดากรรมการมหาเถรสมาคมซึ่ง อาจจะมีมติออกมาอีกก็คือเปิดโอกาสให้วัดทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยจัดการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้สวดอภพิธรรมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์จนกว่าจะครบ ห้าสิบวันร้อยวันวันวันที่สิบสามตุลาคมเป็นวันพฤหัสบดีวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตก็เข้าใจว่าอย่างน้อยวัดประยุรวงศาวาสก็คงจะมีสวดทุกสัปดาห์เจ็ดวันก็จะมีพิธีสักครั้งหนึ่ง เวลาที่เรามาบำเพ็ญกุศลกันอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่มาฟังพระสวดได้บุญได้กุศลได้บุญและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นเราได้บุญเป็นชื่อของคุณภาพอันดีงามภายในจิตใจและเราก็ยังได้กุศลกุศลแปลว่าความฉลาด ขจัดความไม่รู้ขจัดความเศร้าหมองของจิตในขณะที่ท่านมานั่งฟังพระสวดพระอภิธรรมจิตของท่านก็มีความสงบเป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังแล้วหรือลํำลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามเกิดความรู้ความเข้าใจ ก็เป็นกุศลจําได้ว่าครั้งที่อาตมาภาพอาตมาได้รับนิมนต์ไปเทศหน้าพระที่นั่งถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในงานสมเด็จย่าในงานบําเพ็ญกุศลศพอุทิศสมเด็จย่า อาตมาก็ถามในหลวงราชการที่าว่ามาสเสด็จมาทุกคืนมาฟังพระสวดแล้วก็เห็นทรงงานด้วยเวลาที่ฟังพระสวดเนี่ยก็สั่งนู่นสั่งนี่ตลอดว่าเอาเวลาที่ไหนได้พักผ่อนทรงงานตลอด พระองค์ก็ตอบว่าอันที่จริงมาในงานสมเด็จย่านี่แหละคือเวลาพักผ่อนได้มาฟังพระสวดก็เจริญจิตภาวนาไปพร้อมๆกันส่งใจลำลึกนึกถึงสมเด็จย่าไปด้วยจิตก็ได้ผ่อนพักได้เบาสบาย มานั่งลำลึกนึกถึงท่านเรียกสมเด็จย่าและได้เล่าให้จะมาฟังเกี่ยวกับสมเด็ดยจย่าทศมาก็เคยเล่าในในที่ประชุมนี้แล้วก็จะไม่คอยเล่า <oluyor> ก็เหมือนกับว่าแม้จะมีโอกาสเล็กน้อยในการไปเสด็จไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทรงใช้เวลา ในขณะที่ทรงทำรรฟังเทศหรือบำเพ็ญกุศลในอย่างคุ้มค่าและก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องมานั่งกันอยู่ตรงนี้นอกจากฟังพระสวดอภิธรรมแล้วยังลำรึกนึกถึงพระองค์ท่านส่งใจไปหาพระองค์ท่าน ซึ่งสอนธรรมะให้กับพวกเรามากมาย <c oughs> ธรรมะนั้นแม้พระองค์ไม่ได้ตรัสสอน <c oughs> โดยตรงในขณะนี้แต่เวลาที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นสัจธรรม อันเกี่ยวกับพระองค์ท่านในหลายอย่างโดยที่พระองค์ท่านไม่ต้องมีกระแสรับสั่งใดๆเรื่องแรกสุดที่อยากแก้ให้ท่านทั้งหลายได้ลำลึกนึกถึงว่าเราได้เห็นในช่วงชีวิตของเราก็คือมหาบุรุษแปลว่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย เปรียบเหมือนภูเขาขุนเขาส่วนเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกับต้นไม้บางทีก็เป็นกอหญ้าต้นไม้กับกอหญ้าเนี่ยก็คือคนอย่างเราเร า, เราท่านท่านพอจากไปแล้วคนก็จะลืมโดยรวดเร็ว เหมือนกับเราเดินจากต้นไม้เล็กๆเดินจากกอหญ้าไปไม่ถึงสองสรอเมตรเนี่ยมองไม่เห็นละ่ะมันถูกอย่างอื่นบังหมดคนที่ไม่สําคัญเหมือนต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยจากไปแล้วมันจะมีคนอื่นเรื่องอื่น ที่เขายังมีชีวิตอยู่มาดึงความสนใจของคนที่ยังอยู่ให้คิดถึงให้พูดถึงจนลืมนึกถึงคนที่จากไปแล้วว่ารักกันมากๆเลยนะตายจากกันแล้วไม่นานก็ลืมกัน นั่นคือคนธรรมดาสามัญแต่มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนขุนเขาเหมือนภูเขาเราเดินหนีภูเขาเดินจากไปตั้งนานเนี่ยหันหลังไปดูมันก็ยังอยู่นะและตอนที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นว่าสูงเท่าไหร่หรอก ท่านลองสังเกตเวลาท่านอยู่ใกล้ภูเขาไม่ดูว่าสูงเพราะว่ามันเทียบกับต้นไม้ไกลๆต้นไม้ยังบงังภูเขาได้เพราะเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เหนือต้นไม้ก็ค่อยเป็นภูเขาแต่ใบต้นไม้มันบังเรามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเถาวาาัลย์บังจนไม่เห็นภูเขาเพราะเราอยู่ใกล้ แต่พอเราเดินจากไปหรือขับรถหนีภูเขาเนี่ยผ่านไปสิบนาทีมองมายอดเขาก็ยังตะงานอยู่ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยยิ่งออกห่างภูเขายิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งสูงเปรียบเหมือนมหาบุรุษตอนยังมีชีวิตอยู่ในรุ่นเราก็งันๆแหละ บางทีไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ศึกษาประวัติท่านไม่ได้ดูภาพพยนชีวิตของท่านแต่พอท่านจากไปแล้วเขาเอาภาพพยนเก่าๆมาฉายทางโทรทัศน์บางคนไม่หลับไม่นอนเลยนะดูทั้งคืนดูไปร้องไห้ไป ทำไมท่านดีอย่างนี้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ตั้งแต่นุ่มเอามาเล่าให้พระฟังก็มีบางทีบางเรื่องไม่เคยรู้เลยอย่างที่ทรงาาสามารถตรัสเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ไ พ, พรอรเพราะฟลิงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเป็นภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาอังกฤษไพเราะเพราะพริ้งเก่งหลายภาษาอีกตอนที่ท่านอยู่ก็ไม่เห็นมีใครเอามาให้เราดูนะมารู้ตอนที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอบฉลาดเหลือเกินขนาดที่อายุยังไม่มาก ยิ่งออกห่างยิ่งยิ่งใหญ่ก็รู้กันว่าสหประชาชาติถวายรางวัลแด่พระองค์ท่านความหรือชื่อว่ารางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ถ้าจะถามว่าปีไหนก็ละ น, น้อยคนมากจะตอบได้เอามาถวายที่ประเทศไทยเนี่ยโดยเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟี่อันนันในสมัยนั้น ตอนที่ทรงครองราชครบ60สปี 2,549 ก็จำได้แค่นั้นแต่เวลาที่พระองค์จากไปแล้วสเสด็จสวรรค์คาไลเราเรียกว่าสวรรคตนะแต่เรามาเรียกว่าสเสด็จสวรรค์าไลก็คือไปสวรรค์ก็คืออันเดียวกันนะ สหประชาชาติในวันที่13ตุลาคมกําลังประชุมคัดเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่หยุดประชุมพอทราบข่าวกระทันหันสงบนิ่งไว้อะไรเป็นบุคคลระดับโลกเนะี่ยที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติสงบนิ่งไว้อะไร เท่านั้นไม่พอสัปดาห์ที่แล้วในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหาประชาชาติเปิดประชุมพิเศษสมัยพิเศษโดยสมาชิกทั้งหมดเลยนั่งฟังประธานสมัชชาสหาประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทน แต่ละทวีปกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงบังเอิญว่าจะมาได้ฟังถ่ายทอดในภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันแต่ละคนนี่ ไปสรรหาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่บางเรื่องบางอย่างนี่เราก็ไม่รู้เอามาพูดกันในที่ประชุมใหญ่ยกย่องสรรเสริญเป็นบุคคลพระองค์กลายเป็นบุคคลระดับโลกที่เราได้คนไทยนะเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกที่เราได้เห็นผูเขาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยนยะ นี่ใหญ่ในความสูงน่สูงลิ้วเลยยังไม่นับในความกว้างขวางใหญ่โตก็หมายความว่าคนที่เคารพรักพระองค์ท่านมากมายมหาศาลเหลือเกินจนบัดนี้เนี่ย ทั่วประเทศก็ยังจัดงานอย่างที่เรามานั่งกันอยู่นี่ไม่ใช่เฉพาะที่บรมพระบรมมหาราชวังและคนที่กำลังจองกันเดินทางมาเคารพพระบรมศพอีกนานเท่าไรกว่าจะหมดยิ่งใหญ่โดยจำนวนของผู้ที่เคารพรักพระองค์ท่าน สูงส่งโดยชาวโลกก็กล่าวสะดุดีนี่คือภูเขานะ่ภูเขายิ่งใหญ่เมื่อออกห่างและก็จะกลายเป็นตำนานกลายเป็นเรื่องเล่า อย่างที่เราค่อยๆเล่ากันนี่แหละเกี่ยวกับพระองค์ท่านใครได้เฝ้าที่ไหนก็นึกแหละได้เห็นท่านตรงไหนมีกระแสรับสั่งว่าอย่างไรหรือได้ใบบุญท่านตรงไหนบ้างเราก็จะค่อยๆรับรู้รับทราบกันมากขึ้นนอกเหนือจากที่เป็นที่รับรู้กันอยู่โดยทั่วไป ความยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษไม่ได้จืดจางไปตามการเวลาอันนี้เป็นข้อยืนยันที่เราได้เห็นละ่ะยิ่งเราออกห่างด้วยการเวลาเพราะท่านจากโลกนี้ไป เ, เราก็จะเห็นความสูงส่งความยิ่งใหญ่ความเป็นมหาบุรุษของพระองค์ท่านแล้วก็ยิ่งเสียดายทีนี่ยิ่งคิดถึง ยิ่งหวงยิ่งไม่อยากให้ท่านจากเราไปอันนี้เป็นความรู้สึกร่วมของพวกเราทุกคนพระสนิกรทั้งหมดแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้า ก, ก็รู้สึกเหมือนกันดังนั้นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็อาจจะสรุปว่ามาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะมานึกถึง หนังสือเล่มหนึ่งที่หลวงวิจิตวาัฒาการได้เขียนเอาไว้กุสโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ในหนังสือกุสโลบายสร้างความยิ่งใหญ่เนี่ยหลวงวิจิตวาัฒาการศึกษาประวัติของมหาบุรุษบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของโลกในอดีตและเขาก็สรุปไว้ด้วยประโยคเดียว สำหรับเตือนใจคนที่อยากจะเดินตามรอยบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเราอาจจะไม่ใช่ภูเขาแต่ขอเป็นต้นไม้สักต้นหนึ่งดีกว่าเป็นต้นหญ้าให้คนเหยียบยำ่ำสิ่งที่เขาสรุปไว้สำหรับผู้ประสงค์จะเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย เขาสรุปไว้ว่าการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิดเดียวคือเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้นท่านทั้งหลายลองไปคิดดูจริงหรือไม่จริงการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิดเดียวคือเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้น ในหลวงราชาการที่9้านี่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยตั้งแต่ทรงประกาศพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเจดสิบปีทรงปฏิบัติตามพระปฐมบ ร, บรมราชองค์การนั้นตลอดเวลา และคนที่จะทำได้ตลอดเวลาจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคำว่าเห็นแก่ตัวนี่หมายถึงเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวคนของตัวพวกของตัวแต่นี่ทรงเป็นผู้ที่ ถือเอาพระสงฆนิกรทั้งหมดเลยเป็นลูกของพระองค์ท่านเพื่อแพ่คุณความดีไม่ใช่เฉพาะพวกของตัวแต่ทุกคนไม่ว่าชาวเขาชาวเราไม่ว่าศาสนาอะไรนะไปถามดูเถอ ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขของมหาชนก็สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่พระเจ้าสอนว่ามัตตาสุ ข, ขปริจจาขาปัตเสเจวิปูลังสุขันถ้าเห็นว่าจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสละสุขเล็กน้อย บุคคลที่มีปัญญาก็จะสละสุขเล็กน้อยเพื่อสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่คนทั่วไปก็นึกถึงแต่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเนี่ยมีอาหารอร่อยแม้เราได้ทานอร่อยจำไม่ลืมเพราะเราสุขแต่เคยถามไม่ว่าคนอื่นเขาอดเขาหิวอย่างไร มื้อหนึ่งที่แพงๆที่เราจ่ายเนี่ยถ้าเรายอมจ่ายให้มันถูกลงหน่อยแล้วสละเพื่อคนยากจนเพื่อคนอื่นเนี่ยอันไหนมันสุขมากกว่ากันถ้าคนทั่วไปก็ต้องนึกว่าอาหารแพงๆจ่ายแล้วเรามีความสุขความสุขนั้นยิ่งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงความสุขของมหาชน อันนี้ผิดสำหรับมหาบุรุษความสุขของเราก็เป็นสุขหนึ่งสุขความสุขของคนในครอบครัวมีกี่คนมีสี่ห้าคนเขาเยอะกว่าเรานะของคนในที่ทำงานของคนทั้งประเทศมันยิ่งใหญ่กว่าความสุขของเรา ทำไมจะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวแล้วไม่เอื้อไม่สละให้กับความสุขของคนอื่นเหมือนกับที่ในหลวงสเสด็จไปประสาทปริญญาเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรส่งเล่าไว้ว่านานมาแล้วต้องสเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่วันนั้นบังเอิญถอนฟันปวดฟันในหลวงถอนฟันเสร็จเขาก็ฉีดยาแก้ปวดนะยาชาเนะี่ยแล้วก็ต้องรีบไปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งนั้นพระราชทานปริญญาบัตร คิดถึงความสบายคิดถึงปวดฟันของเรามันเล็กน้อยแต่บัณฑิตใหม่จำนวนมาากที่เขารอเฝ้ารับเสด็จรับปริญญาจากพระองค์ท่านครอบครัวที่เขาตามกันมาเนี่ยถ้าพระองค์ไม่เสด็จหนึ่งคนเนี่ยนะหนึ่งท่านเนี่ยแต่มันกระทบความสุขของคนเท่าไหร่ ยอมนะปวดฝันก็ปวดยาชาก็พึ่งฉีดแล้วก็ต้องไปนั่งนิ่งๆยืน่นส่งยื่นปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตใหม่ที่เข้าแถวมาแล้วเวลาเข้าแถวมารับเนี่ยมันก็แบบทำซ้ำๆง่วงสิทีนี้ ง่วงแสนง่วงนะ่ะยื่นให้เฉยๆคนนี้ก็มารับแล้วก็ไปรับแล้วก็ไปง่วงสุดขีดเลยนะเพราะยาชาเป็นเหตุแล้วพระองค์เล่าเรื่องนี้ก็เพื่อจะขอบคุณบัณฑิตคนหนึ่งไม่รู้แกคิดอะไรนายคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามารับปริญญาในขณะที่พระองค์กำลังง่วงสุดขีดเลย พอรับปริญญาเสร็จแกถอยไปแกตะโกนดังๆทรงพระเจริญซึ่งมันไม่มีนะเคยมีเ่เราไปรับพระราชทานกระบี่รับพระราชทานปริญญาเนี่ยไปตะโกนทรงพระเจริญมันผิดปกตินะแต่ไอ้ความผิดปกตินี่ขำด้วยแล้วก็ตกแปลกใจด้วยหายง่วงเป็นปลีดทิ้งเลยนะ ทรงเล่าเหมือนกับเป็นเรื่องขำขันแต่เราอ่านเนี่ยคิดอีกแบบนึงดูสิท่านมีเวลาเป็นส่วนตัวไหมถ้าเป็นเราก็มีข้ออ้างไปไปแล้วเนี่ยให้ใครไปแทนหรือเลื่อนก็ได้นี่ปวดฟันขนาดไหนยังไปลำบากยังไม่ได้นับถึงเรื่องเดินทางลำบากระบ น, เ, นเพราะเราก็ไม่รู้อีกหลายเรื่อง แต่นี่ทรงเล่าไว้เองเพราะว่าทำให้หายง่วงไม่นึกถึงความสุขส่วนตนว่ามาก่อนความสุขของคนอื่นจำนวนมากซึ่งใช้คำว่าประโยชน์สุขแห่งมหาชนไงมหาชนนี่คนจำนวนมหาแปลว่ายิ่งใหญ่คือจานวนมาก เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจึงนึกถึงคนอื่นเสมอเวลาที่ครูขาดสอนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเรานึกว่าไม่สำคัญนะครูก็ไปช้าบ้างรถอ่างรถติดบ้างอะไรบ้างไม่ได้สอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่นักเรียนหกสิบคนหรือหนึ่งร้อยคนเนี่ย หนึ่งชั่วโมงแต่ละคนเนี่ยมันก็คือ60สบชั่วโมงนะมันคือหนึ่งรชั่วโมงนะแต่ถ้าเราคิดถึงตัวเราเองหนึ่งชั่วโมงไม่เห็นเป็นไรแต่ถ้าคิดถึงคนอื่นอีกร้อยคนพันคนมื่นคนเนี่ยที่สูญเสียประโยชน์ของเขาเนี่ยมันหยุดการช่วยเหลือไม่ได้ การคิดอย่างนี้เป็นทศพิธราชธรรมข้อบริจาคข้อที่สทานศีลบริจาคบริจาคคือสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนจำนวนมากวันนี้ก็เราลํำลึกนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเพราะทรงเห็นแก่ตัวน้อยหน่อย คำว่าเห็นแก่ตัวน้อยหน่อยตรงกับทศพิธราชธรรมข้อที่สามบริจาคทานังศีหลังบริจาคันสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนจำนวนมากแค่ข้อเดียวยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะถ้าพูดให้ครบสิบข้อนี่ก็คงต้องมากันหลายๆวันนะวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกัน ส่งใจลำลึกนึกถึงพระองค์ท่านความยิ่งใหญ่คุนงามความดีและอย่าฟังเฉยๆให้อธิษฐานจิตข้อแรกการฟังธรรมก็ดีฟังสวดพระอภิธรรมเป็นธรรมมัสวรรใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็จะได้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลข้อที่สอง การฟังนั้นทำให้ได้เกิดกุศลคือความฉลาดเราก็อธิษฐานจิตตามที่พระเจ้าสอนว่ายาตานุยายีเดินตามรอยที่ท่านเดินมาแล้วบุคคลที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเดินตามรอยท่านที่เดินล่วงหน้าไปแล้วท่านทำอะไรประสบความสำเร็จเป็นความยิ่งใหญ่ เราก็เรียนแบบท่านเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นเรารุ่นหลังได้เดินตามรอยของท่านเพราะฉะนั้นคนที่ล่วงหน้าไปก่อนเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นขุนเขาเนี่ยได้เป็นแบบอย่างให้เรารุ่นหลังๆได้เดินตามรอยพายุคคลบาท ดังพระราชนิพนธ์ของล้นกล้ารัชกาลที่หที่ว่าประวัติวีระบุรุษไซตเตือนใจเรานาว่าอาจจักยังชนเลิศได้แลยามจะบนไลัยทิ้งซึ่งรอยบาทเหยียบแน่นไว้แทบพื้นสายสมัย บุรุษผู้ยิ่งใหญ่จากไปแต่ประทับรอยเท้าเอาไว้บนสายแห่งกาลเวลาสายนี่มันเปลี่ยนรูปง่ายใครเดินย่ำบนสายเดี๋ยวก็รอยเท้าก็หายแต่มหาบุรุษพอประทับไปแล้วนี่ไม่ลบเลยเป็นปริศนาธรรมที่เราเอาเมาใช้กันในวันลอยกระทงะที่จะถึง ว่าพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตกดลอยพระบาทริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาบนหาดทรายนะจนทุกวันนี้เราก็ลอยกระทงเพื่อไปบูชาลอยบาทแห่งพระศาสดาทีท่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาที่จริงท่านหมายถึงรอยทรายแห่งการเวลาความดีของพระองค์ไม่มีใครลืมพระพุทธเจ้าก็คือ ขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ 2,500 กว่าปีก็ยังตระ n ง k a อยู่เหมือนฮิมาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ยิ่งใหญ่ยิ่งการเวลาล่วงไปก็จะสูงทรงตรง n g k ยิ่งขึ้นเราก็เดินตามรอยท่านที่เดินไปแล้วคือรอยของพระองค์ท่าน ดำเนินตามชีวิตของท่านด้วยการเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยสร้างประโยชน์สุขอาจจะไม่ใช่ทั้งคนจะนวนมากเหมือนพระองค์แต่อย่างน้อยในครอบครัวของเราในบ้านของเราในวัดของเราในที่ทำงานของเราให้เขามีความสุขก็จะชื่อว่าบูชา พระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติบูชาเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านต่อ ก, ก, กันต่อไปฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตอ้างคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมธรรม ม, มัตสวรรณไมเกิดจากการฟังพระสวดอภิธรรมและถวายทานรักษาศีล ขอจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นภลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้สำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทปะยะสมบัติเพิ่มบารมีธรรมแด่พระองค์ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปในซ้ำปรายพสมดังเจตนาปารพบของเราท่านทั้งหลายทุกประการเทิน